2.26 รู้อย่างแท้จริงคือไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบวงเล็บเปิด2 8มีนาคม2551จุดจุดนาที22วงเล็บปิดถ้ารู้ที่แท้จริงนะจะมีคีย์เวิดในวงเล็บคำสำคัญอยู่3คำถ้ารู้อย่างแท้จริงนะเครื่องหมายคำพูดเปิดไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบ ปิดเครื่องหมายคำพูดถ้ามีน้ำหนักไม่ใช่ถ้าหนาๆดูมาหนึ่งนาทีแล้วยังเหมือนเดิมเลยแล้วยังพูดอยู่ยังภาคอยู่นั่นหลงไปสมมติบัญญัติแล้วฉะนั้นภาวะแห่งการรู้นะไร้น้ำหนักบางเฉียบเงียบกริบเจ้าคุณนอในวงเล็บเจ้าคุณนรราชมานิทถึงสอนว่าเครื่องหมายคำพูดเปิดของจริงนิ่งเป็นใบของพูดได้ไม่ใช่ของจริงปิดเครื่องหมายคำพูด